ศึกษาในคำพีผู้ทวงเนี่ยน ะ, ะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยนะไล้ล้าอย่างดูเหมือนซ้ำๆกันใช่ไหซ้ำๆกันซ้ำอย่างไรซ้ำว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระนามว่าอะไรแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทธคุณซึ่งใช้พยัญชนะไม่มากพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนั้นแสดงตรัสรู้ที่ไหน รายละเอียดเกี่ยวกับการตรัสรู้สักเล็กน้อยแล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแสดงธรรมการตรัสรู้ใหญ่ๆก็มีอยู่สามครั้งประชุมสาวกสันนิบาตหรือว่าประชุมะ้าหันตสาวกสามครั้งแล้วก็พระโพธิสัตว์ได้บําเพ็ญบารมีอะไรในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็พระพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าอย่างไรเสร็จแล้วก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ในที่สุดก็พระองค์ดับขันปรินิพานาศาสนาอันตรธานไปอันนี้รายละเอียดโดยสรุปในพุทธวงศ์มีอยู่เท่านี้ทีนี้มันก็เป็นที่ตั้งเห็นว่าเออแล้วเมื่อเมื่อได้ข้อมูลเท่านี้แล้วมันดียังไง น, นะอย่างที่กล่าวให้ฟังไปแล้วว่าเมื่อเราระลึกถึงอดีต น, นะปกติแล้วอดีตเนี่ยมันเป็นห่วงแห่งความมืดที่ใหญ่มาก น, นะแม้กระทั่งว่าอดีตของชีวิตเราเองเนี่ยอาจจะนึกได้แค่คลับคล้ายคลับคลา จะกล่าวไปว่าเมื่ออดีตหลายๆกับหลายๆแสนกับหลายๆร้อยหลายๆหมื่นหลายๆล้านกับหลายๆกับจนถึงอสังขัยกับหลายๆ1อสังขัยสองอสังขัยสอสังขัยรายละเอียดเกี่ยวกับเบื้องหลังครั้งเก่าก่อนครั้งเก่าแก่หลายๆอสังขัยกับหลายๆแสนอสังขัยกับเราจะรเลึกกันไม่ได้เลยนี่นะพันถือว่าเป็นหลุมที่ใหญ่มากก็คือหลุมและความมืดที่ยิ่งใหญ่ที่ปกปิด อดีตเนี่ยนะตกอับปิดอดีต ท, ทำให้อดีตนั้นเราระลึกอะไรไม่ได้เลยแต่จากการศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะทำให้เราระลึกถึงอดีตได้มันรายละเอียดในอดีตก็ยังพอมีว่าเออเมื่อสีอสงไขยใช้สั์นี้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรสรนังกรทีปังกรมันไม่ใช่ว่าอดีตเนี่ยหมดไปเลยว่างเปล่าศูนย์เปล่าแต่อดีตของเราก็ยังมีพระรัตนตรยัย พูดถึงอดีตยาวนานขนาดไหนก็พระพุทธเจ้าทีปังกรตันหังกรเมธังกรสาระนังกรพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นและในระหว่างอดีตเมื่อนั้นก็มีผู้ที่เขาสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอัครส า, าวกเพื่อเป็นอสีติมหาสาวกเพื่อเป็นอุปถัมภ์ มีผู้ที่เขาทําบุญเพื่อเป็นพุทธมารดาพุทธบิดาพุทธอุปถาคมีผู้ที่เขาเจริญบุญเจริญกุศลหลากหลายหาประมาณไม่ได้ไดไนีมันเราก็จะได้เลืกถึงในแต่ละอสงไขยอสงไข่ที่1ถ้าถอยหลังเมื่อ4อสงไข่เนี่ยอสงไขยที่1มีพระพุทธเจ้า4ี่องค์อสงไขยที่สอง ม, มีพระพุทธเจ้า1องค์อสงไขยที่3มีพระพุทธเจ้า4องค์อสงไข่ที่4ช่วงนั้นน่ะมีพระพุทธเจ้าสาพระองค์ แต่ถ้าเมื่อแสนกับที่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวหรือเมื่อสามหมื่นกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าสององค์เมื่อหนึ่งหมักับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าสามองค์เมื่อ94กลกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเมื่อ92กลกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าสององค์9กกับที่แล้วมีองค์เดียว31อกับที่แล้วมีสององค์และกับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น ห้าพระองค์เหลืออีกองค์หนึ่งยังไม่มาตรัสรุทั้งหมดมีห้าองค์นะมันก็จะเป็นรายละเอียดที่ว่าอดีตก็ไม่ใช่ห่วงแห่งความมืดทีนี้ถ้าหากว่าศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในอนาคตเช่นพระศรีอริยะเมตรายเป็นต้นอนาคตก็ยังไม่มืดยังพอพอระลึกว่าข้างหน้าก็มีแสงสว่างแห่งพระพุทธรัตะนะต่อไปนะ ที่ผ่านมาก็มีแสงสว่างแห่งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะอานาคตต่อไปก็มีแสงสว่างแห่งพระพุทธรัตนะธรรมรัตนและพระสังขรัตนะเนี่ยนะเราก็ยังมีพระรัตนะตรายในปัจจุบันนี้ก็ยังระลึกถึงพระรัตนะตรายพันเมื่อพูดถึงอดีตอนาคตและปัจจุบันใจของเราก็ทต้องมีพระัตนะไตรอยู่ด้วยอย่าลืมว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยผู้ที่ไม่ห่างพระัตนะไตร นะเป็นผู้ที่เห็นคุณของพระรัตนตรยัยเมื่อพูดถึงอดีตเขาก็เห็นพระรัตนตรยัยพูดถึงอนาคตเขาก็รู้คุณพระรัตนตรยัยปัจจุบันนี้เขาก็เห็นพระคุณของพระรัตนตรยัยเพราจิตใจของเขาไม่ว่างจากศรัทธาร่างกายจะห่างไกลก็จริงแต่ว่าจิตใจไม่ห่างจากพระพุทธรัตนธรรมรัตนสังขารัตนใจไม่เคยห่างจากพระรัตนตรัยเลยเพราะมีอะไรสะดุดพระนะโมทสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะได้ทันที เขาใกล้ชิดพระรัตนตรัยขนาดนั้นแต่ศับว่าพุทธมามะกะธรรมามก ะ, มมกะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยโดยศัท์ก็แปลว่าผู้อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยอยู่แล้วงั้นเราก็จะได้อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการอยู่ใกล้ชิดพระ ร, พรัตนตรัยพระรัตนตรัยนั้นเป็นเป็นอะไรเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่จะช่วยอภิเสกเราไว้ในสัจจะอภิเสกให้เราแทงตลอด อริยสัตว์ตรัสรูบ้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะแทงตลอดโสดาปฏิมรักสกทาคามิมรรคพารัตนะตรายช่วยยกเราให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบัติหรกพารัรตนาตรายช่วยพาให้เราข้ามพ้นจากวัฏพารัตนาตรายเป็นผู้ที่มอบอริยทรัพย์เนี่ยนะให้ความปราบเพิ่มด้วยสติปัฏฐานเป็นต้นนะมันพระรัตนาตรายนั้นจะช่วยเราได้หลายๆอย่างด้วยกันมันชีวิตของเราไม่ใช่เป็นคน อนาถาเพราะชีวิตที่ผ่านมาในสังสารวัฏนี่มันก็อนาถาพอแล้วเนี่ยนะถือว่า น, นะจริงอยู่เหมือนกับมีเพื่อนมีพักมีพวกมีพ่อมีแม่แต่ก็อนาถาโดยเฉพาะอนาถาทางอะไรอนาถาทางความคิดเนี่ยนะอนาถาทางจิตอนาถาทางวิญญาณานะเป็นสภาพจิตที่ไม่มีสาระเป็นจิตที่ไม่มีที่พึ่ง ตื่นตะหนกเหมือนเนื้อที่กลัวภัยวนะนั่นแหะตื่นตะหนกมีแต่ชีวิตเต็มปไปด้วยความหวาดผวามีแต่ด้วยความสะดุ้งความหวาดระแวงมีแต่ความสงสัยว่าจะเป็นเช่นไรเนะาะจะเป็นเช่นไรเนอะยังไงแน่ยังไงแน่ยังไงแน่ก็มีแต่ความสงสัยขาดความมั่นใจจะมั่นใจบ้างกตอนที่กิเลสมันเกิดนั่นแหละโทสะเกิดขึ้นก็มั่นใจทีหนึ่งโลภะเกิดขึ้นก็มั่นใจทีหนึ่งพอหมดโลภะก็หมดความมั่นใจพอหมดโทสะบางอย่างก็หมดความ มั่นใจก็เหลือแต่โมหะที่ประกอบกับความสงสัยพราะฉะนั้นอกุศลมันก็รุมเร้ามากขึ้นไปไหนก็ไม่ใช่ไปดีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราพบพระพุทธศาสนาเนี่ยนะในในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ถ้าศึกษาตามแนวพุทธวงศ์นี่ก็น่าดีใจไม่ใช่น้อยเลยหน่าดีใจเป็นอย่างมากอันแล้วที่มามาพบพระพุทธศาสนาต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าเกี่ยวกับการศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะ เราจะได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้ามากที่สุดไม่มีอะไรจะได้ฟังพูดถึงพูดธรรมว่าพระพุทธเจ้ามากเท่านี้แล้วเกิดมาเนี่ยพูดถึงคําว่าพระพุทธเจ้ามากที่สุดกับอีกสองคำก็คล้ายว่าเราข้าพเจ้าผมเนี่ยมีอยู่สองคำเนี่ยพูดมากพระพุทธเจ้ากับข้าพเจ้านะสองอย่างนี่แหละพูดถึงบ่อยที่สุดมันก็ทํายังไงเราจะได้พูดถึงพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดจิตใจของเราก็จะใกล้ชิดพระพุทธเจ้าถ้าใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแล้วตกนรกก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้ว ก็ถือว่าเหมือนอะไรนะเป็นรัชทายาทแล้วยังเข้าคุกนี่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆอ่างั้นนะหนักหนาะสาหัสมากเหมือนกันนะนั้นถ้าเรามีพระธรรมตรายเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงนะใจของเราก็ปลอดภยัยใจของเราก็พ้นภัยและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ชวนได้คิดเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดยากมากบางแห่งว่ามีหาได้ยากเหมือนหาดอกมะเดือ่อ ซึ่งไอความจริงมาเดิมหาไม่มีดอกหรอกเขาเปรียบเทียบว่าสิ่งนั้นอ่ะแทบเหมือนไม่มีเลยก็คือการที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะมีระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนะห่างกันกับเดียวมีแค่องค์เดียวคือจากหากเข้ไปห่างสองกับเมื่อ94กับับเก้บสองกับ94่กับถอยหลังนะว่างไปกับที่93กับที่92 อันนี้ชิดกันที่สุดว่างไปแค่กับเดียว น, นะบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยว่าง30กับจากกับก่อนหน้านี้มาถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสิขีเวสภูเี่ยห่างกับนี้30กับก็ถือว่ามากพอสมควรแต่จากพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีถึงพระพุทธเจ้าสิขีนี่ห่างหกสกับ ห่างแค่หกสิบกับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยแค่หกสิบกับเองหลังจากนั้นไปเนี่ยนะยากพระพุทธเจ้าสุชาตกับปิยะทัศีเนี่ยห่างสองหมื่นกว่ากับนะหรือว่าจากพระพุทธเจ้าพระนามว่ า, าธรรมทัศนีถึงสิทธะก็ว่างไปหมื่นกว่ากับนี่นะหรือจากพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทกับพระทูมุตระเนี่ยนะ ห่างการอสงไขยหนึ่งพระพุทธเจ้าโสพิตะการโนมาทศีห่างอสงไขยหนึ่งพระพุทธเจ้าโกนธัญญะกรรมังคละก็ห่างอสงไข่หนึ่งพระพุทธเจ้าทีปังกรกโกนธัญญะก็ห่างอสงไข่หนึ่งเขามีก็ห่างห่างเป็นอสงไขยทั้งนั้นจริงๆแล้วในช่วงแสนกลับนี้ม า, าพระพุทธเจ้าเกิดเยอะที่สุดในช่วงนี้ช่วงแสนกลับมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดเยอะมากนะนะือคือในระหว่างแค่แสนกลับเนี่ยนะจากแสนกลับที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้า 17พระองค์เนยนะสิพระองค์เนี่ยแสนกับมีพระพุทธเจ้าตั้ง27่สพระเอ่อสิพระอง ค, อองค์ก่อนหน้านั้นมีแค่สิพระองค์เสียสงไข่เนี่ยสิพระองค์ถือว่าตัวเลขที่น้อยมากห่างกันชนิดที่ระร้องให้น้ําตาหมดไปเป็นอยว่าเป็นนี้เลยเป็นบ่อน้ําใหญ่ๆเป็นอะไรนะภาษาไทยวิสารเรียกน้องน้ําเนี่ยนะบึงใหญ่ปะร้องให้เท่ากับน้ําตาเท่ากับบึงหนึ่งก็ยังไม่พระพุทธเจ้ายังไม่มา ตรัสรูเลยเนี่ยนะไปนั่งคอยนั่งเศ้านั่งโศกอยู่ตรงไห น, นจะพบพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์มันยากมากการที่เราศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะจิตใจของเราก็ได้โคโจรในพระพุทธคุณและที่สําคัญที่สุดก็คือให้เราพยายามทรงจํารัตนสูตรเอาไว้เมื่อทึกพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็มีคุณธรรมคืออิติปิโสมีคุณธรรมตา ม, ตามรัตนสูตร พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีคุณธรรมเช่นกับข้อความในรัตนสูตรสาวกของพระองค์หรือพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ข้อความจะเหมือนกันพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าที่พระองค์ปัจจุบันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยเราก็จะได้มั่นใจในการปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งใดก็ตามถ้าถูกต้องเทียบเคียงในอดีตได้ ตรวจสอบกับอนาคตได้แล้วสิ่งนั้นจะไม่ผิดไม่พลาดการปฏิบัติธรรมการตรัสรู้ธรรมก็ไม่เพียบพลาดเพราะว่าผู้ที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินั้นมีศรัทธาที่มั่นคงมีความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวและเปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่าลืมว่าคําว่าพุทธพุทธเจ้าหมายความว่า อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพผู้ทางพระขวันตังอภิวาเทมินะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นศัพท์เหล่านี้พุทโธหมายความว่าพุทธะเป็นชื่อของปัญญาที่ทํากิจสี่ประการทํากิจกําหนดรู้ทุกรอบรู้กองทุก์ทํากิจละสมุทัยทํากิจทํานิโรธให้แจ้งทํากิจเจริญอริยมรรคฟันพระพุทธเจ้าเกสาใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้า โลมาใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้านาขาใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าจักขุใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าโสตคานะเฉีวหากายใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าอวัยวะส่วนต่างๆใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าใจใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าใจใช่บอกอ้าวจักขุวิญญาณใช่ไหมไม่ใช่โสตวิญญาณคานาเฉีวหากายะมโนวิญญาณใช่ไหมมโนวิญญาณแบ่งประเภทภวังอาวัชนะเป็นต้นแล้วอมโนวิญญาณกลุ่มไหนที่หมายเน้นพิเศษหมายความถึง พระพุทธเจ้าหมายถึงปัญญาพระปัญญาที่เกิดร่วมในระดับโลกุตระมัคโสดาปฏิมัคสกทาคามิมัคอนาคามิมัครอรหัตตมัครอรหัตตมัคขณะนั้นเป็นการอภิเสกในความเป็นพระพุทธเจ้าและอรหัตตมัคก็ประกอบอยู่แล้วว่าเป็นอริยมัคอันประกอบไปด้วยองแปดที่ประชุมในใจของพระองค์เป็นมัคแปดที่ประชุมในใจของโปรง่งและมัคแปด อริยมระดับอรหัตมรดัให้ผลเป็นอรหัตตผลสัพพัญญุตยานเป็นต้นพระคุณเลียงล้ายอย่างรวมกันนั่นแหละประกาศถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รวมด้วยพระพุทธคุณทุกประการแต่ที่สําคัญที่สุดยกย่องว่าพระองค์เป็นผู้มีพระปัญญาไม่มีผู้ใดเปรียบมีปัญญาไม่มีใครเสมอเหมือนเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งดวงอาทิตยามเที่ยงวันไม่มีแสงเหล่าอื่นจะมาสว่างได้เทียบเท่ากับแสงดวงอาทิตย์ในยาม เที่ยงวันที่จะสาสองโลกให้สว่างสวัยได้ขนาดนี้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นตัวปัญญาที่ทําสําเร็จกิจพุทธภาวะก็คื อ, อที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งใดที่ควรกําหนดรู้พระองค์ก็กําหนดรู้สิ่งนั้นสิ่งใดที่ควรละพระองค์ก็ละสิ่งนั้นสิ่งใดที่ควรทําให้แจ้งพระองค์ก็ทําให้แจ้งสิ่งนั้นสิ่งใดที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญคุณธรรมเหล่านั้นอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์การทํากิจเหล่านี้ด้วยคุณธรรมตามที่กล่าวแล้วเนี่ยนะกิจอันนี้แหละคือกิจในความเป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อดํารงอยู่ในพุทธภาวะแล้วอาศัยกรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาสิ่งที่พระ อ, องค์ตรัสรู้นั่นแหละมาประกาศแต่งตั้งเปิดเผยให้เขารู้ว่าการปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้นั้นคืออะไรการตรัสรู้รมแล้วพ้นจากทุกขตรัสรู้อะไรพระธรรมที่ตรัสรู้แล้วดับทุกนั้น ดับทุกอย่างไรข้อปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้นั้นปฏิบัติอย่างไรพระองค์ก็เอามาบอกแต่งตั้งเปิดเผยรวมเป็นสรุปอนะใจความว่าทมกับวินัยหรือปิดกสนิกายคําคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9หรือว่า 84,000 พันโดยพระธรรมขันคำสอนเหล่านั้นมีรถเดียวคือวิมุตติรถสอนเพื่อความพ้นไปจากกองทุกเนี่ยนะ ฉันเราศึกษาพระพุทธคุณเท่าใดเราก็จะทราบซื่งในพระธรรมคุณเท่านั้นและเราก็จะเห็นผู้ที่เขารับอริยทรัพย์รับมรดกเป็นธรรมทายาจจากพระพุทธเจ้าเขาเป็นผู้รับมรดกคือโลกุตระธรรมจากพระพุทธเจ้ารับโลกุตระโสดาปฏิมักโสดาปฏิพนจากพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีบุญมีสติมีปัญญาช่วยผู้ที่มีอุปนิสัยให้ ตรัสรู้แล้วตรัสรู้ตามนะั่นน่านการเกิดขึ้นของพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากหาได้ยากแม้แต่คํานี้อนาถบิณฑิกะก็บอกว่าแม้แต่คําว่าพุโทโธยังหาฝังได้ยากจะกล่าวไปยัยถึงการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่คําว่าพุทธเจ้าเราโดยทั่วๆไปตอนหลังก็เหลือแต่พยัญชนะไม่เข้าใจความหมายของคําว่า พุทธเจ้าเอาเถอยามที่เราสวดเนี่ยนะยังอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาผู้โทเนี่ยก็พุทธเจ้ากับพุทธเจ้าสิผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านรู้อะไรถ้าท่านรู้เหมือนเราท่านก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแน่นอนมันต้องรู้อะไรพิเศษกว่าเราเยอะตื่นท่านตื่นยังไงหมายค่าว่าตื่นตัวผวาเลยสะดุ้งก็ไม่ใช่เองนบานบานด้วยอะไรคําว่าย่อๆจากคำว่าตรัสรู้ผู้รู้รู้อริยสัจ ทำกิจในอริยสัจแล้วก็บอกผู้อื่นให้รู้อริยสัจด้วยอันนั้นคือรู้ตรัสรู้ผู้รู้รู้อริยสัจแทงตลอดอริยสัจแต่แทงตลอดตามกิจสัจจะเหล่าใดที่เรียกว่าสัจจยานพระองค์ก็ทํากิจในสัจจยานสัจจะเหล่าใดที่สุอยู่ในส่วนของกิจยานพระองค์ก็ทํากิจในสัจจะเหล่านั้นนะสัจจะเหล่าใดที่เจริญเสร็จสิ้นที่เรียกว่ากตตยานพระองค์ก็เจริญยานเหล่านั้นเสร็จสิ้นพระองค์จึงปฏิญาณว่าเป็น ผู้ตรัสรู้เนี่ยนะปฏิญาปฏิยานตามธรรมจักรกับปวัตตนะสูตรว่าพราะองค์นั้นอ่ะเนื่องจากพระองค์ทําสิ่งเหล่านี้ทํากิจเหล่านี้รอบรู้เหล่านี้ทําสิ่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็เอาสิ่งเหล่านั้นอ่ะมาประกาศแต่งตั้งเปิดเผยพระอัญญาโกนธัญญาก็ตรัสรู้ตามเป็นต้นก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามมากมายเพบางคําว่าพุทธะจึงหมายถึงทำกิจตรัสรู้ ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้โดยลําพังโดยพระองค์เองแล้วเอามาบอกผู้อื่นให้ทํากิจเหล่านี้ตรัสรู้ตามด้วยอันนี้เรียกว่าผู้รู้รู้อริยสัจเนี่ยนะรู้อย่างถูกต้องและเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้อริยสัจก็แปลว่าพระองค์กําหนดรอบรู้กองทุกแล้วบอกให้ผู้อื่นกําหนดรู้ตามพระองค์ละสมุทัยเสร็จแล้วพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นละตามพระองค์ทำนิโรธให้แจ้งพระองค์ก็แนะนําให้ผู้อื่นทำนิโรธให้แจ้งตามผู้พระองค์ จเจริญอริยมรรคจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์พระองค์ก็บอกให้ผู้อื่นเจริญตามปฏิบัติตามพระองค์จึงชื่อว่าผู้รู้ผู้ตื่นตื่นจากการหลับไหลด้วยกิเลสนิทราเนี่ยนะเพราะว่าขณะที่ราคะเกิดก็ชื่อว่าหลับขณะที่โทสะเกิดก็ชื่อว่าหลับขณะที่โมหะเกิดก็ชื่อว่าหลับสนิทมาเขาว่าหลับเนี่ยนะเหมือนกับจมอยู่ใต้น้ำะนะเหมือนกับจมอยู่ใต้น้าที่เป็นน้ําอะไรนะไม่ใช่บ่อน้ําสะอาดต้น้ํา สะอาดสาดนี่ถึงจะอยู่ใต้น้ำํำก็พอมองเห็นสัตว์อยู่ข้างล่างแต่นี่มันม้าน้ําสกรปรกเนี่ยนะมันน้ําสกรปรกแล้วมุดลงไปก็ชั้นใดความมืดมิดคือราคะโทสะโมหะก็ชั้นนั้นก็จมอยู่ใต้ในสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะไม่สามารถที่จะเห็นแสงแห่งพระรัตนะตรัยไม่รู้คุณของพระัตนะตรัยนั่นความหลับไหลด้วยอํานาจกิเลสก็สังเกตดูขณะที่ราคะกลุ่มรุมนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ไหม ยากนะโทรศาพท์ร่วมรวมก็นึกถึงพระพุทธเจ้ายากโมหะด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยนะบอดสนิททีน่นี้พระองค์เนะี่ยเป็นผู้ตื่นจากกิเลสนิทราขณะเดียวกันก็ช่วยปลุกให้ผู้อื่นตื่นด้วยตื่นตื่นตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดแต่จริงสับนี่เป็นคําของเทวดามีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านไปอยู่ป่าก็รับสนิทเนี่ยนะมันเงียบมันเย็นสบายอะไรจ ะ, จะเงียบจะเย็นเท่าอยู่ป่า ม, มีอีกแล้ว เห็นไหนกิจกรรมไม่ใช่น้อยก็นหนึ่งส่วนเนาะอ น, นะไปหลับมันหลับเทวดาก็มาปลุกจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดนไจะมีประโยชน์อะไรด้วยการหลับท่านผู้ถูกความเร่าร้อนด้วยกิเลสท่วมทับแล้วเป็นต้นเทวดาก็มาปลุกให้พระพิสุตื่นองค์นั้นท่านก็ตื่นยิงได้จริงๆนะท่านก็พิจารณาอาริยสัจบรรลุเลยท่านคําว่าตื่นก็คือตื่นจากกิเลสนิทราตื่นจากบาปตื่นจาก อกุศลแต่ไม่ใช่ไม่ยอมหลับยอมนอนแล้วก็ฟุ้งซ่านไอนะนะ้นั่นอ่ะเรียกว่าหลับอีกนั่นแหละหลับตาใยเขา่างั้นนะพวกหลับตาใยก็ตาดูทําท่าเหมือนตื่นแต่ว่าหลับนะมันตื่นจากกิเลสตื่นจากกิเลสนิทราเพราะไม่รู้อริยสัจแต่ว่าพราะองค์นั้นตื่นแล้วเนะี่ยนแล้วก็ช่วยให้ปลุกให้ผู้อื่นตื่นพระองค์เนี่ยเบิกบานด้วยพระยานทั้งหลายเบิกบานด้วยสัพพัญยุตยานเบิกบานด้วยอนนาวรณญ า, านเวสารัญยานเบิกบานด้วยปัญญาเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปไหนหัวเราะราแต่หัวเ ร, ร, ราะรออะไรบอก ร, อร้องให้อันน้นที่สุดของการหัวรเราะก็คือการร้องให้ไม่ใช่หัวเราอะรอร้องให้ไม่ใช่หัวเราะราแบบนั้นเรียกว่าเบิกบานไม่ใช่แต่พระองค์บาลด้วยปัญญาเนี่ย น, นะใครว่าเป็นผู้ที่มีความสุขด้วยปัญญ า, านนไม่เร้าร้อนไม่ลำบากด้วยปัญญาปัญญาพาให้พระพุทธเจ้าทํากิจทุกอย่าง ปัญญาเป็นตัวเป็นสมุทฐานเป็นตัวกํากับกายกรรมทุกประการปัญญาเป็นตัวกํากับวจีกรรมและมโนกรรมของพระพุทธเจ้าทุกประการทุกอย่างที่พระองค์ทํามีปัญญานําหน้าหมดเลยครันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของพระพุทธเจ้าจึงคล้อยตามปัญญาตามกรร ม, มสกตาปัญญาตามวิปัสนาปัญญาแล้วก็ตามอะไรปัญญาตามสัพพัญยุตยานปัญญาเนี่ยนะ พระองค์นั้นชีวิตของพระองค์ใช้ก็เรียกว่าอนุวัตตามปัญญาโดยประการทั้งปวงความที่พระองค์เนี่ยบานแล้วด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาตื่นจากกิเลสนิทราเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็เบิกบานด้วยปัญญาทั้งหลายเราก็เลยเรียกพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นมาในโลกมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วนะพระองค์ก็สละ เราว่าสละความสุขนะเช่นโดยพระวรกายเนี่ยพระองค์ก็สู้ลำบากด้วยพวรกายแสดงทำเห่เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เราเวนยศาสตร์ทั้งหลายให้เขาตรัสรู้ตามเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นความเสียสละของพระองค์จริงๆจริงๆก็สละตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็เสียสละท่านสละชีวิตของท่านอุทิศเพื่อประโยชน์ศพแก่สัตว์เนี่ยสอสงไขยแสนกับจริงๆ ดันกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยนะแม้กระทั่งอย่างที่เรียกว่าถึงพระองค์ตกนรกก็ตกนรกเพราะสัตว์นั่นแหละเพราะต้องช่วยเขานั่นแหละตัวเองเลยต้องตกนรกมางั้นเหรอเหมือนกับไปช่วยคนจมน้ําพอดีตัวเองก็เลยจมไปด้วยเลยก็มีเพราะในการสำลักน้ําเป็นต้นก็ถือว่าเพราะช่วยคนจึงต้องสำลักน้ํากิจกรรมที่พระองค์อยู่ในวัดตะเนี่ยนะทั้งหมดเลยตลอดระยะเวลาสอสงไขยแสนกับอยู่ด้วยเพราะการุณาอยู่ด้วยกรุณาแท้ๆเลยถ้าไม่มีกรุณาอยู่ไม่ได้ ปัญหาว่าถ้าท่านโง่เขายัางชั่วหน่อยนี่ท่านรู้หมดนะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างหลายๆชาติท่านทรงพระตรยวิดกอยู่แล้วแต่นะท่านทรงพระตรยวิดกรอบรู้เข้าใจทิศทางของคำสอนทุกประการแล้วทำไมท่านไม่ปฏิบัติเพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยพระองค์เองเนี่ยนะแล้วพบพระพุทธเจ้าดั้ง2 0 24พระองค์เนี่ยนะยีพระองค์ตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยถือว่ามีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุ มีอยู่แค่สองชาติเท่านั้นแหละที่ไม่พร้อมจะบรรลุชาติที่เป็นราชสีกับชาติที่เป็นพญนาะตชาติที่เหลือบรรลุได้หมดเลยท่านจะเอาไหมล่ะท่านท่านไม่เอาท่านสละโอกาสในการตรัสรู้ธรรมก็ถือว่าพราะองค์ทําทุกอย่างสละทุกอย่างเพื่ อ, อนะเพื่อสองเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายเวนัยสัตว์ทั้งหลายดูว่าพระพุทธเจ้าจะทําสําเร็จไหมเนาะใครใคร โอ้ยภาษารีบุตรพระองค์ช่วยเสร็จแล้วนะโมวกคันลานะพรช่วยเสร็จอนาถนางวิสาขาพุทธบริษัทจากอดีตมาจบปัจจุบันพระองค์ช่วยได้เยอะนะดูว่ารุ่นเรากับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหรนต่อไปเนี่ยพระองค์จะช่วยได้ไหมแต่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นแต่คนบอกทางนะพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เป็นแต่คนชี้นาบอกทางเท่านั้นถ้าหากว่าปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเขาไม่ปฏิบัติจะไปว่าอะไรเขาเนี่ยนะ แต่ว่าถ้าหากว่าไม่ตรัสรู้นี่ก็น่าสงสารแหละสัตว์เหล่าใดาที่ไม่เห็นอริยธรรมไม่เห็นอริยสัต์กำหนดไว้เธอว่าน้ำตาของเขาที่เขา จ, เาจะต้องร้องให้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเห็นน้ำทะเลแล้วก็บอกเออทำใจได้ไหมจะร้องให้น้ำตาไหลรวมลงมาเท่านี้